วันนี้เป็นวันพระเดือนสองดับเป็นวันพระใหญ่อีกไม่นานก็คงจะเป็นวันมาฆบูชาอันนี้ก็เข้าปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแล้วก็พร้อมกันเป็นวันอุโบสถแล้วก็เป็นวัน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 ใจของเราถ้าหากว่าเราไม่หงายรับปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกปิดความเชื่อปิดศรัทธาปิดปัญญาไปหมดถึงจะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุมีผลพวกเราก็ไม่รับรู้รับทราบถ้าหาว่าปิดอย่างนั้นแล้วแปลว่าเป็นผู้มืดบอด เพราะนั้นทําคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาเนี่ยพวกเราอันดับแรกต้องหงายพาชนะรับการหงายภาชนะนับรับนั่นคืออะไรคือตั้งศรัทธาเป็นเบื้องตน้นคือความเชื่อตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์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 หรือเราปิดซะปิดสวิตซ์ซะดูความมอซะความกระป๋องซะไม่รับรู้ไม่รับทราบถึงจะเป็นของดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทภิกษุสั ม, มเนรุบาสุกุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าควรจะใช้ สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาใช้ความเพียรใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวิเคราะห์รมนันนันหลักจุดใหญ่ของหลักของพรศาสนาจุดสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านให้ชำระกายวาจาใจชาระใจจุดใจคือชำระใจ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 คือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นเิกตนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอายชีโววายโมสติส ม, มาธิสรุปลงรวบรัฐก็คือสินส ม, มาธิปัญญานั่นเองอันนี้เรียกว่ามรรคแปดที่จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไปได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ต้องใช้ปัญญาการนับถือ พ, พุทธศาสนาไม่ใช่ว่านับถือโ บ, โบราณเขานับถือมาเราก็นับถือไปเขาถือมาแล้วก็ถือไปต่อแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่จะนับถือต้องวิเคราะห์เราจะนับถืออะไรเราจะยึดอะไรมาเป็นหลักเราต้องดูตรตรองเหตุและผลซะก่อนก่อนที่เราจะถือไม่ใช่ว่าเขาว่าเอออันนี้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 ต้องใช้ปัญญาต้องใช้การวิเคราะห์ต้องใช้ปัญญาตัวเองว่าเหตุผลอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเบื้องต้นที่ว่าทําไมจึงให้ทานอย่างนี้คนที่ตนีทีเหนียวคนที่ไม่มีการให้ทานคนที่ไม่มีเสียสละคนที่ไม่แบ่งปันให้แก่ใครใครอแปลว่าเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวมากคนประเภทนั้นจะกว้างขวางได้ไหมจะรักษาประเทศชาติได้ไหม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 แต่ถ้าว่าคนไม่มีน้ําจิตน้ําใจคนไม่มีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนไม่มีทานะคือการเสียสละแล้วเออเหมือนกับไม้แห้งยืนอยู่กลางท้องนานะ่ะตายืนอยู่กลางท้องนาไม่มีใบไม่มีปลอกไม่มีผลไม่มีใบเพราะไม้ไม้แห้งะต้นไม้มันตายออ่ะืมไม้มันแห้งเพอเพยยังมีกิ่งของมันนะหล่นลงไปใส่หัวคนอีกหล่นไปลงไปหาสัตว์อีก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 ไปอยู่ด้วยกันถ้าว่าเป็นผู้มีศินขนาดมดขนาดยุงขนาดสัตว์ก็ยังไม่ฆ่าแล้วจะจะไปฆ่าคนได้ยังไงแต่ถ้าว่าคนไม่มีศินเกิรติทรัพย์ไม่ดีคนคนเนี้ยเป็นผู้ไม่มีศินนะเป็นคนรุกร้ายโมโหโท่โศนะคนทั้งหลายที่จะไปเป็นเพื่อนกันเป็นนอนร่วมกันก็หวาดระแวงเหมือนกันนะกลางค่ากลางคืนมาอาจจะโมโหมาฆ่าเราปาดคอเราลัดคอเราก็ได้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 มันหาความไว้วางใจกันไม่ได้เนี่ยสินของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมแหมที่ยกประเด็นขึ้นมาเพียงสองข้อที่สาการเมษุวิษณ์สาจารลูกสามีพันยาลูกเต่าเลาหลานญาติพี่น้องของเราถ้าว่าทุกคนเป็นผู้มีสินปล่อยไปที่ไหนไปกับใครก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าว่าเราเขาเป็นผู้ไม่มีสินแล้วต่างคนต่าง เราเวียงระวังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นทุกทั้งสองฝ่ายทั้งของเขาของเราเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าสรุปแล้วกาเมอาทินนามุษาก็เหมือนกันการโกหกพกลมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่ากโกหกกันนะและทำเรามาวิเคราะห์ดูคนที่โกหกล่ะหาความซื่อสัตย์ไม่ได้หาความสัมม์จริงไม่ได้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 อันนี้พระพุทธเจ้าเตืนว่าสีโทษอย่างนณะหนักตัวสุราตัวสุดท้ายดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเดี่ยวกันเล่นเล่นการพนันอบายยมุกเป็นบอกเกิดแห่งความจิบหายผู้ที่จะมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็จิบหายวายพวงท่าภูมิยังเล่นอับายยมุกระวัาดื่มสุรากินสุราดื่มสุราเป็นอาจินอยู่หาความสัตย์ความจริงไม่ได้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 ถูกต้องดีงามแต่ถ้าศรัทธาเนี่เสียได้เด๊ะทำไมเสียยังไงคนที่ศรัทธาออกนอกรูนอกทางนี่ยขนพูดอะไรให้ก็เชื่อไปหมดศรัทธามากเนี่เสียได้นะนบางทีไปต้นกล้วยเอาครึ่งรับนี่ก็ไปกราบไปปักธูปหมาวัวควายพิกงพิการมานี่กะไปกราบไปไหว้ไปปักธูปปักเทียนขอหวยขอเบอร์ตามที่ตรงเอง คิดว่าจะได้อันนี้ว่าศรัทธาเสียหายไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาอย่างนั้นใช่ไม่ได้อันนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าว่าใช้ไปในทางที่ผิดนี่เกิดความเสียหายได้ปัญญาของเหมือนกันถ้าปัญญาคิดปรุงฟุ้งออกไปมากๆออกนอกลู่นอกทางเกินขอบเขตก็ทําให้เสียเสียได้เหมือนกันความเพียนก็เหมือนกันถ้าเพียนมากๆเพียนออกนอกลู่นอกทางเพียนพยายามที่จะขาดจะป่นจาก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 เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าคนที่มีสติคนที่มีอนาปาทัศติกำหนดลมหายใจอยู่สติอยู่กับตัวเองกายและจิตของผู้นั้นจะไม่หวันไหวอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรท่านยืนยันอย่างนั้นถ้าจะมีเสียงอะไรมา ก, กบพบพระทบก็ตามท่ำกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กายและจิตของผู้นั้นไม่วันไหว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 ถึงขาวมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็คือการพิจารณาแยกแยะแล้วกันมาน้อมถึงใจอีกง ใ, ใจนั่นก็คือน้ำธรรมที่รับรู้ทเรื่องทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักลงที่ใจสำระใจจุดใจคือสำระใจซักเปลอกใจของเราโดยตปะธรรมคือปัญญาน่ะ ปัญญาละเอียดความเพียรละเอียดปัญญาละเอียดจนรู้แจ้งเห็นจริงถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์จากนั้นก็จะได้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นธรรมะของผู้เรียเจ้าปล่อยวางที่ใจรู้ที่กายรู้กายให้รู้กายวัดนี่กายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ข้ามันบอกมันรู้เพรรู้กายแต่ที่นีก็รู้ใจใจรู้หัวใจรู้ก็ ป, ปล่อยที่ใจกันวางปล่อยวางที่ใจเพราะฉะนั้นพวกเรา ทุกทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าคิดว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งโลกนี้จะเดือดร้อ น, นเดือดร้อนคือตัวของเรานั่นนะภัยจะตามเข้ามาชลาภายัยพยาธิภยัยมรณะภยัยจะต้องตามถึงร่างกายของเราแน่นอนวันนั้นวันนี้ผมเองก็จะไม่พูดอะไรมากกจบการ court.